วันนี้เป็นวันอาชิตนะที่วีสิบหกกันยายนสองพันห้า้อยสี่สิบเจ็ดก็เป็นเวลาที่เราเจริญนก็กรรฐานในเรื่องของอธิญญาสมาบัติโดอทั้งหลายก็ได้สมาทานศีนสมาทานประกราศาัตรแล้วล้วก็คิดว่าเวลานี้เรามีสมบุิสุด คิดอย่างนี้คิดว่าเป็นขเราบริสุทธิ์เพาเราไม่มีความตั้งใจมีเจตนาที่จะทําลายศีลเจตโศของเราเองนะไม่มีเจตนาแะตั้งใจที่จะยุยมส่งเสริมให้ใครทําลายศีลแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะยินดีที่เห็นคนอื่นเขาทำลายศีลตอนนี้ก็ต้องถือเอาว่า หรืว่าเป็นตามตั้งใจแล้วว่าเราไม่ประสงค์ที่จะทำลายความดีของเราเองไม่ประสงค์ที่จะกระทำลายความตกของคนอื่นเพื่อที่เราคิดอย่างนี้เพราะว่าชีวิตของทุกคนมันไม่แตกต่างอะไรกระตกของเรานะทุกคนเนี่ยเกิดแล้วก็ตายเหมือนกันหมด ปุเ๊เหมือนกันหมดไม่มีข้อแตกต่างอะไรนอกจากจิตสิ่งที่ไม่ใช่จิตเหมือนกันหมดสิ่งที่เราร่างกายจิตเป็นเรือร่างแบบนี้ไม่มีใครดีประกันไม่มีใครเลวประกันก็ เ, นเรือร่างที่าะสงของสกปรกเหมือนกันหมด นี่จะเปลี่ยนใจใจเทนั้นแหละที่มันยังต่างกันอยู่ใจของคนที่มีกิเลสมากใจของคนที่มีกิเลสน้อยมีปัญหามากปัญหาน้อยมีอุปทานมากอุปทานน้อยและยังมีจิตที่ยังสร้างอกติละรังอยู่ไอเรื่องแตกต่างกันอย่างนี้มันทําอะไรกันไม่ได้แรือว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ใครเป็นไปตามที่เราต้องการได้ จะให้เจจะมีความรม้าตาสูงมากแค่ไหนมีคตามปรนารสงสารเขาสักเพียงใดเจก็ไม่มีสิทที่จะไปก้าวล่วงไปเกี่ยวความเป็นใจของเขาที่มีกิเลสปัญหาการ ล, ละกิเลสปัญหาอุปัชาและอกชนละรังเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ว่าคนนั้นจะมีอยู่ในฐานะที่เรารักมากคือเป็นวิตตามันดา เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกก็ตามเถอะแต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับนับถือว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวลงไปเก่ความองเป็นใจของใครที่จะไปหักห้ามให้เขาซึ่นขึ้นเปลิดปัญหาให้เขาคิดดีคิดเหมือนที่พระเพ่งคิด ก, ด, ด, ด, งดกันปฏิบัติดีเหมือนที่พระทนปฏิบัติกัน มันจะเรื่มคิดเป็นไปไม่ได้นี่ต้องยอมรับนะว่าจิตใครก็ไม่สามารถที่จะกล้าล่งไปกับจิตของอนกที่จะทำให้เขาเป็นเหมืนอนตัวของเราแต่ขึ้นชื่อว่าไมา่ใช่จิตมันก็คือขันห้าคือร่างกายนี้ร่างกายนี้ทุกคนไม่มีใครดีประกันแต่คนนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาตสะตวะนวันนะ ที่โดยล้วงดงามว่ า, ควางคนื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าร่างกายงดงามแนละ้วมันจะไม่ตกปลอปกต่อโรกร่างกายที่งดงามมันจะไม่แตกปรเปลี่ยนไปมันจะไม่ตายร่างกายที่งดงามมันจะไม่เป็นที่ตั้งของโรคภยัยไข้เจ็บร่งรางกายจึงไม่มีความหมายสำหรับเราเขาเลยที่จะมานั่งคิดว่าเขาดีกว่าเราเราแย่กว่าเขามันต้องวัดกันจิตใจ ใจใครสามารถละทึ้งกิเลสกันหาได้มากเท่าไหร่ใจคนนั้นก็เป็นใจที่น่ารักเทวดานางฟ้าก็รักผมก็รักแม้สัจจะเวราชามันก็รักแต่ถ้าใจใครมหมักมุ่นบริกิเลสกันหายอย่างมากก็เป็นที่น่ารังเกยียจของเจวดานางฟ้าแม้สัจจะมันก็รังเกยียจ ใจมันเป็นนามธรรมมันมองเห็นยากถึกไหมใ่ของภายนอกมันมองเห็นง่ายแต่สิ่งที่เรามองเห็นได้ยากกับสัมผัสได้ง่ายสุดใจเพราะสิ่งที่คนเราจะบ่อกถึงความสุขสุขมันดูได้โง่หรือว่าสลาดมันดูได้มันสัมผัสได้ง่ายกว่า และขอใเกิดเป็นไข้ควรพิจ า, า, ารณาตามนี้ว่าเราเมืบบ่ัดนี้เราตั้งใจจะมาทานศีลตั้งใจจะมาทานพระกรรมฐานและล็กนึสิง ค, ควรครูบาอาจารย์ในองค์พระเดชพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานนลวงปู่ปานประเดษประคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดทุกวันนี้เราทุกคนพยายามอย่างยิ่ง ที่จะทำใจของตนให้เดือดพุ้จนกับกิเลสกันหาเพราะกิเลสจะมาสร้างความเศร้าหมองปัญหามันทำลายความสุขแก่ตนเพราะหตุทั่วใจของเรานั้นมันยังคิดว่ามนุษย์เป็นของดีเป็นของของเราเป็นตัวเรามนุษย์คนนั้นเป็นของของเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราทรับส์สมบัตินี้เป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้เป็นต้น การคิดอย่างนี้เป็นของหนักไปขนาดเคยไหมถ้ามันหนักเกินไปพขคิดว่าทุกคนต้องตายจตจิตไม่ตายอย่างนี้คิดได้ไหมเออจิตไม่ตายนะจิตของใครก็ไม่ตายเดยจะต้องเวียนว่ า, ายไปเกิดเป็นนานแค่ไหนก็ต้องแม้จ ถ, ถ้าต้องเคลื่อนไปรับทุกการภาวนายอยู่ในอบยอยวะมก็ไม่ตาย จะเดินไฟในรถเผาข น, นาดไหนก็ไม่ตายจะเดินขึ้นทางเทียงใดก็ไม่ตายกลับเว้นขึ้นมาใหม่มารับการเจ็บปวดทรมรามนจากการถุกทุกขี่เดิน ไ, ไฟบ้างเดินของมีคมบ้างแต่ร่างกายที่เป็นมนุษย์มันตายมันเดินของมีคมเพราะจุดสำคัญมันก็ตายมันเดินไฟเผามันก็ตาย มันไม่ไรเหลือจะจิตมันเหลืออยู่พอให้ไฟเผามันจะไม่มีอะไรเหลือซะมันก็กลับไปเป็นหมือนเดิมได้อีกัตนรกเนี่ยคิดว่าต้องทุกขเ์เคกันนานนานบางทีก็บางขลุมไม่เป็นบางขุมเนี่ยมันจะบางหลุมบางขุมก็ตาไปจนลับแล้วสัตว์นรกถ้าเกิดตายเกิดตายเขาว่าเกิดตายไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาตายแต่การทรมานทรามานมาถึงที่สุด เป็นเขทนไม่ได้แล้วก็จับในสภาพไม้ให้ต้องทุกขเวทนาอีกซ้ำๆตัดอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นที่เอเวกีลมหานรกมันก็จะเหมือนกับถังตีเหลี่งจากกตะลุยตะกุกตะลึงทั้งข้างบนทั้งข้างล่างหมายถึงว่าหล็กแหลมจะขึ้นจากข้างล่างขึ้นจากข้างบนซ้ายขึ้นไปทางขวาตรง่ายตัดีเหลือยแล้วเขมรใจแดงฐาน เมือ่อเขาเอาเหล็ตีด้านเนี่ยมันมีแต่ไฟร้อนคุณไม่สามารถจะเคลื่อนตัวหนีไปไหนได้ถูกเขามาอยู่อย่างนั้นทรมานอยู่อย่างนั้นรับความรุ้สึกแห่งความแล้วทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนานเป็นกบไม่ตายในสิ่งที่เราต้องคิดบบ้ว้เสมว่า คี่ตายมันคือร่างกายตายจิตเราไม่ตายจิตเราไม่ตายด้วยจิตคนอื่นก็ไม่ตายด้วยจิตของใครก็ไม่มีใครตายจะเียนืนได้ไปต่ออีกนานแค่ไหนก็ไม่ตายจะสะสมกิเลสปัญหามากมายเพียงใดก็ไม่ตายเป็นอมะตะไหมไม่หวั่นตายงนั้นเธอไม่ต้องห่วงว่าเธอจะตายหากตายก็ตายจากความจุ ตามสกขนั่นถ้าใช่ก็จะไปอบายภพและก็ตายเชื่อคราวเรียนตามแล้วก็ขอให้เกิดคิดพิจารณาตามนี้ว่ากายก็ส่วนกายจิตก็ส่จิตนะกายเป็นของตายเป็นของสลายไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้แต่จิตไม่ว่าจะทุกขเวทนาจะไหลไปเป็นเป็นรูปบ้างอย่างไรก็ไม่ตายจากสัตว ร, รก็เป็นเตร ก็ไม่ตายจะมาเป็นเปรตมาเป็นอาศุรกายก็ไม่ตายจะอศุลกายมาเป็นสัตว์เจริญฐานก็ไม่ตายจะสัตวเจริญฐานมาเป็นมนรรุษย์ไม่ว่าจะทุกขเวทนาแค่ไหนก็ไม่ตายเลยนะครับถ้าในจิตเป็นกุศลไปอยู่บันเทวดา น, นางังฟ้าจิตก็ไม่ตายพลมก็ไม่ตายไม่มีใครตายสักค น, น, น, นเลยนะตัวเราไม่ตายแต่สิ่งที่มันอยู่กับเราคืออะไร ตกกับทุกถ right? ูกไหมความตกความทุกข์ที่มาอยู่กับเราตลอดทุกที่ไม่ว่าจะระโยชู่ที่ไหนจะเป็นจักรไตรสารตั น, นี้จะอยู่กับเธอจะเป็นเปรตเป็นสัจธรรมมันก็อยู่กับเธอจะเป็นตัวดานางฟ้ามันก็อยู่กับเธอเป็นครก็อยู่กับเธอตปที่ทางก็อยู่กับเธอวันยังค่ำเรื่องนี้สําคัญกับตัวของเธออย่างมากและเวลาใช้กาลังของการฝึกอภิญญาจสมาบัติจะต้องมีความตัดใจไม่ขาดตัดายก็ส่วนาย จิตก็เปินจิตอย่าเอามาปะปนกันเราไม่ต้องมางห่วงกายมันถือว่าร่างกายัไม่สำคัญไม่มีความหมายศึกอภิญยาต้องคิดอย่างนี้นะร่างกายต้องไม่มีความหมายมันจะมีความหมายอะไรถ้มามันไม่ใช่ตัวให้สุกให้ทุกประเราจริงๆนัมันก็เป็นของที่อย่างที่เห็นนั่นแหละของตายคือเป็นของที่ต้องตาย ของชื่อไม่มีอะไรกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่กจะเกิดจดจำได้ไหมรูปร่างหน้าตาของเธอเป็นอย่างไรวัยเด็กจดจําได้ไหมรูปร่างหน้าตาของเธเปลี่ยนเปนอย่างไแต่อคลื่นจดจำได้ไหมรูปหน้าหน้าตาของเธอเริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยเอยวัยวะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่อยทุกอย่างก็มีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่แต่ใครมียุคมากถึงเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็จะมันเปลี่ยนมามากแล้วเปลี่ยนเป็นภาพเดิมที่เราเคยเป็นอยู่เมื่อสมัยเด็ก นมต๋้าไม่มีอะไรจะเหลืออีกอยแล้วตอนนี้เหลืออย่างดียวคือ้าตองความเหี่ยวเฉาส่วนโทมแล้วมันก็จะต้องพังตลายไปในวันใดวันหนึ่งแล้วไม่สามารถจะเดินกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่จิตของเธอเนี่ยตอนทีเจะโง่มาฝึกยิ่ชาติเธอก็ไม่จิตที่ตลาดได้ตอนทีเธอจะเป็จิตอันดำสนิท ตกไปเจออวัยวุมุกเธก็ไม่จิตจะกลับมาผ่องใสเมืเ่อเจอดาบังฟ้าได้จีตของเธจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างนี้เดี๋ยวใสสว่างเดี๋ยวมืดดคำครึมกิ่งตาเป็นมนุษย์เราเห็นง่ายบางเวลาก็ขาวสวยบางเวลาก็สีสดใสบางเวลาก็ขุ่นม่วงบางเวลาก็ดำสนิทมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไมเรื่อยแต่มันก็ไม่ตาย มต่จะไม่ับมาใส่ได้เหมือนเดิมอีกได้จะเจ้ากายเนี่ยทํายังไงมันก็ไม่สามารถมันุษขี้เหมือนอย่างไหนที่เตยร้านก็ทันที่ทำให้ร่างกายนั้นดีเหมือนเดิมกลับมาตกสภาพเดิมเสียทักเสียสินเสียทุกสิ่งที่อย่าในตังโดยตามสามารถที่จะพยายามทบํารงให้มันจับไปเหมือนเดิมทำยังไงมันก็ไม่สําเร็จตายวันยังค่ำเหี่ยววันยังค่ำ สิตของเราสามารถที่จะทะําในขณะที่จิตมันดําครับกลายเป็นจิตที่ผ่องใสได้มันทําได้โดยชั่วขณะและนิ้วมือเดียวก็ทำได้ดัเวลานี้ของเธอถ้าเราเป็นผูสูงคุณของพระพุทธเจา้าไม่สูงเพราะพระพุทธเจ้าให้จับไปในใจเราเราจะคิดยังไงเราคิดตามสามันเะดิมนะถ้าเราคิดอย่างนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าชัดไหม พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปที่เป็นหินเป็นปูนเป็นสกายเป็นทองเหลืองถูกไหมไม่ใช่สิ่งที่เขาก่อะจ้างเครือมานี่คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่เป็นเพียงแค่ภาพที่เป็นของสมมุติที่ทําให้เราเห็นและรู้สึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ไม่ลืมพระองค์ทำใ้เราได้กราบได้ไหว่มีความรู้นนสึกว่าเราอยู่ใกล้ มาชื่อหลวงพ่อท่อนทนทานพวยตานที่กระเดพระกรรมาที่กรรมฐานพระกรรมฐานขอเข้ามาพระรชนาไใหเห็นไหมตัน้นเ่งว่าพระพุทธเจ้าจะครับอยู่นเ้นเบ้นหน้าแต่เราก็ได้กราบขอเข้ามาพระองค์แต่สิงที่เป็นองค์ฐานคือเปลือกภายนอกที่เป็นที่เราทุกคนสมมติเป็นขึ้นมาเพื่อดึใจเราเข้าหาความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ย เมือนกับเป็นบันไดที่ก้าวไปหาพระองค์จะอาศัยของสมุดเหล่าเหล่านี้แต่ถ้าเจอจะคิดอย่างคนไม่ต้องมานั่งอาศัยบันไดคือไม่อาศัยรูปที่เป็นของภายนอกอย่างนี้เป็นตัวเดิมของใจจะอาศัยอะไรอาศัยความจริงดีไหมความจริงคือความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์เป็นอย่างไรเธอสามารถจะนึกขึ้นมาได้ไหมลองคิดสิเธอะนึกพระพุทธเจ้าของเธอ เป็ยังไงพระพุทธเจ้าต้องสว่างไหมหรือพกะพธเจ้าต้องมืดไม่สว่างเด็กคิดว่าพระบารมีของพระองค์ที่มีกําลังมามากมายถึงเพียงนี้ถ้าวรกายของพระองค์จะเสือกสดงงามไหมเอาแค่สมัยที่องค์ทงเป็นมนุษย์เสริมมากกว่าคนใดในโลกนี้พระวรกายของพระองค์ก็สวยงามรัศมีกายขององค์ก็ปรากฏมี เดี๋ยพระเอกของพระองค์ก็เต็มด้วยคามเมตาอาหาประมาทไม่ได้ถ้กขอพระองค์ก็งดงานจริงยิ่งนะเพราะตัวเราเสี่งพระองค์ก็แพ้รจากใจไม่ว่าเราจะอยู่ไกลใกล้แค่ไหนเมื่าเราตั้งใจอยากจะฟังพระองค์การฟังเหมือนอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆสิ่งที่เราต้องตัดแต่ละคำเป็นสิ่งที่เป็นตามเป็นจริงล้น้วนไม่มีสิ่งปลอมๆเข้ามาตัดตคนในสิ่งที่เราต้องตัดแม้แต่ประโยคเดียวคําเดียว จะเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้เวลาเราได้ถึงพระพุทธเจ้าของเราต้องเป็นอย่างเนี้ย้าปรากฏใน ใ, ใจเราไหมเห็นไหมเรานึกไปตามความเป็นจริงเราไม่ใช่ น, นึกผิดปัญญาการเอาแต่เราเอาความเป็นจริงของพระองค์ที่ต้องต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจะเกิดพระพุทธเจ้าไม่สวยก็เป็นไปไม่ได้ แสงของพระเจ้าไม่สว่างอะมันไม่จริงมันไม่ใช่มั่นไม่ใช่ของพธรธเจ้านะ้วเห็นไถ้าจะเห็นดวงพระฤกของพระองค์ต้องเห็นดวงพระฤกษของพระองนั้นจนด้วยตามเวย ต, ตาอัญหาประมาณไม่ได้เห็นไหมไม่ใช่ตาแข็งแข็งไม่ใช่ตาสีแดงแดงไม่ใช่จะเห็นตายไทยนอกเป็นเสงงือสดงเมกับตาแดงนี่พยายามอานแต่เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราต้องเป็นแบบนี้จะเป็นอื่นไม่ได้ พระองค์จะต้องมีตาลสว่างสวัยและพาวาก า, ออ า, ราพระองค์ต้องใหญ่เราต้องเห็นเต็มตาเราและเมื่อพระองค์ทรงมีพระเมตาเรากราบขอรันนตนบารมีพระองค์เสด็จมาตรงข้อเราเราจะต้อ ง, ออ ง, ใใองเห็นใกล้ๆมาทรงเปล่งพระสัพพะรังสีมาปรากอบพระองค์อยู่เฉพาะหน้าของเราเพราะว่าเรามีใจใจของเราไม่มีใํามาหลอกลวงเราก็ไม่ได้หลอกลวงตัวเราเองว่าใจเราเนี่ยรัก ให้ความสักคาให้ความเคารพพระองค์อย่างยิ่งพระสงฆ์จะได้เดิรอยตามเรื่องพระคุค น, นาบาทขององค์เสจ้ากระลมนโลกกันนาใจนักินเดียที่ประจักษ์มาเกิดใจเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่หลอกใจเราเองจะต้องเชื่อใจใล่ไหมจะต้องเชื่อใจของเราใจจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรานึกเรานึกเล่น เ, นเรานึกอยากใจเห็นไม่ใช่แต่เรานึกเพราะเรารัก เราด้วเราะเาคารพเราดวยเราะเรเห็นความจริงหรือตามดีของพระองค์จริงๆพระพุทธเจ้าตรงดีจริงๆต้งเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆว่าพรุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ในอดีตชาติเราเคยเหพระองค์ยังทรงพระจนลีชิดอยู่ก็หลายครั้งหลายชาติในอดีตที่ผ่านมาที่จะมายเป็นเกวดาดังฟ้าเป็นสมเราก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มอัจจาริษองค์ทรงมีพระวรกายเฉลียวสดงงาม ไม่ใช่ทศเสจะไม่เคยเห็นมาก่อนเคยเห็นมาแล้วในกระทั่งครั้งที่พระองค์ทรงสเสด็จ ก, กลับมาจากดาวดเดงเสวะโลกยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมัยนั้นทกเสก็เคยได้เกิดก็ได้เห็นพระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ท่านดาวเดงก็เคยเห็นมาแล้วพระเจ้าเสว ย, ยังไงสว่างยังไงเราพระโลกกับพระองค์เป็นอย่างไรจะต้องจับใจของเธอบ้างแหละจริงไหม แล้วเธอเป็นนึกถึงพระพทธเจ้าไม่เห็นเป็นใจไม่ได้เธอต้องเห็นแต่เธอจะเอาภาพทิงของสมมุติเหล่านี้ไม่เห็นมันจะปิดตาปิดใจของเธอได้อย่างไรอย่างนี้มันต้องฝึดใช้เวลานานต่อภาพเหล่านี้ที่ไม่คุ้นเคยในสิ่งที่เธอเป็นนึกถึงบ่อยๆกว่าจะปิดจิตาของเธอคือในใจของเธอยากแต่ถ้าเป็นนึกอย่างเนี้ยนึกถึงความเป็นพระพุทธเจ้าจับใจเธอได้ไหม เห็นได้ตามที่ใจของเจ้ต้องการไหมถ้าเจ้าชอบพระพุทธเจา้าบาครั้งยังทรงพระเจริ่อยู่มีกกายเป็นมนุษย์เ จ, จ้าก็จับใจว่าตามครั้งที่ทรงทรงเป็นมนุษย์พระวรากายพระองค์เป็นอย่างไรพระจีวรพระองค์สีอะไรเกี่ยวเรื่องอายาบไหมต้องเด่นสง่าเมืม่นเวลาทรงประทับนั่งจ้งแย้โสด น, น้อยน้อยเม่าได้รับมันเสียงเราจะ่เข้าไปกราบขอบารมีพระองค์ทรงแสดงกริยา ในุ่ทธะจิริยาอย่างไรกับเราเวลาทรตัดวาจาเอ่ยมายคําแพร่ะอ่อนหวานกับเราทั้งนั้นที่มีคําที่บุนแรงอะไรแม้แต่นิดเดียวจะจะชุ่มขึ้นใจไม่ได้เฉลินไปถึงตัวอย่างเนี้ยถามว่าหลับตาลุนตาเคยเห็นได้ไหมเห็นได้เห็นได้ทุกขณะเวลาที่เจ อ, อยากเห็นไหมทุกเวลาที่เจต้องการไปเห็นนี่เราเห็นอะไรเห็นความเป็นพระพุทธเจ้า ไม่เคยเห็นปูหนึห่งตาย เ, ยเห็นจิตได้วเห็นเจ้าที่เขาทาเป็นทรงพระพุทธรูปเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นแต่เห็นตามเป็นพระพุทธเจ้าว่าพรงสงสายสว่างหากเราชอบทรงสงสเป็นเจ้าก็เป็นพระพิสุทธิพิเภกความบริสุทธิ์ของพระองค์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องใสสว่างแล้วก็สวยสดงดงามอย่างยิ่งถ้าจัดการจาีกเพระองค์ต้องเปล่งสว่างสวัยนะหกประการ หาประมาในตามสุขที่เราสัมผัสไม่ได้หรอกหัวใจเราเห็นทุกเนื้นตสัตว์ทุกอย่างมันลืมโยกคนละโลกไปเลยตามเศ้าหมองเมื่อสักครู่นี้ปั๊บจิตที่เคยเศ้าหมองดังมันเปลี่ยนสภาพทันทีว่ามันผ่องใสมันสว่างสวยตัวเราเรู้อันทีว่าเราเปลี่ยนไปแล้วใจเราเปลี่ยนแล้วมันสว่างขึ้นแล้วมันมีกําลังมากขึ้นแล้วตัวเราเชื่อตัวเราไหม เธอต้องเชื่อใจไปเต็มของเธอเพราะอารมณ์มันอยู่ที่เธอไม่ได้อยู่ที่คนติเธอย่นต้องเวลาอารมณ์ของเธอตอนนี้ยรู้สึกยังไงกับส ah ิ่งที่เธอได้นึกจำนึกถึงความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นึกถึงสิ่งที่เราได้เห็นภาพในใจของเราว่าพระพุทธเจ้าของเราสวยจริงๆพระพุทธเจ้าของเราน่ารักที่สุดน่ากราบได้ที่สุดอยากจะเข้าไปกราบใกล้ๆพระบาทของพระองค์เดี๋ยวนี้เธอทาได้ไหม จะทำได้มันยากตรงไหนถ้ายากก็ตรงที่ใจเรามันด้านนะยากนั่นแหละยากแม่แต่ถ้าคนที่มีใจนึกถึงความดีของใครคนในคนหนึ่งนั้นนึกไม่ออกเนี่ยจะแงว่าเราได้หมดสภาพแล้ว เดีเราไม่ถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าพระพเจ้าทันดีขนาดไหนต้องบังเป็นบารมียาวนานเพียงใดตรงนี้ตลาดความปักมากแค่ไหนพอพระองค์จะได้บรรลุอภัเศสสมมาสัมโพชฌานถ้าความเดินพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเคยคิดกันว่าต้องต้องเป็นอย่างนั้นต้องต้องเป็นอย่างนี้จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างอื่นเป็นอยูอย่างเดียวเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องเป็นนั่นแหละ จะไม่เป็นอย่างเอิดเด็กค่ะจะไม่เป็นอย่างอารักษอัรรัสาวกทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างสาวกทั้งหลายต้องเป็นอย่างพระพุทธเจ้าที่คนจะต้องเป็นแต่ก็ใจคําพูดของฉันอย่างนี้ไหมที่ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะเปลี่ยนไปอื่นไม่ได้ไม่จะขอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราไม่มีความรู้สึกในอารมณ์ใจเราแบบนี้เธอถึงพระพระถึงเธอถามมโนยิทธิในแค่เนี้ยถ้าเกิดทํำถ้ามันคล่องในใจของตธอมันไม่ยากเลยในการที่จะรู้อะไรเห็นอะไรมันเป็นของง่ายมากในการฝึกอภิญญาสมาบัติแบบมโนยิทิเพราะสิ่งที่มีความสําคัญคือพุทางนุสติกรรมฐานสําคัญที่สุดแต่ใครเล่าจะทําใจใเนื้อ ใ, ใจของเธวเนี่ยอ่อนโยน และถ้าไปหาความจริงที่สุดไม่จะไปหาสิ่งที่เป็นของสมมุติตอกใจไหมว่าเราน้นถึงพระและ เ, เห็นพระอย่างไงเจอพระพฤทธเจ้ายัางไงตอนนี้หายสงสัยไหมเห็นความเป็นพระพุทธเจ้าจำเลยนะเห็นความเป็นพระพุทธเจ้าว่าจงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าขอเราเป็นอย่างนี้ เราชอบเราชอบของเราอย่างนี้เราชอบเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราชอบเห็นพระพุทธเจ้าอย่างเป็นมนุษย์แราชอบเป็นพระพุทธเจ้าใสเสาอาจสะอ้านสว่างสวัแลราชอบพระพุทธเจ้าเป็นแบบที่เราต้องการอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมไม่มีอาการอย่างอื่นเปลี่ยนไปจะจะเห็นได้จากข้อพระเมศกับพระองค์นี่แหละ เป็นสิ่งที่ข่ายภาตามเป็นใจกัพระองค์ได้ดีที่สุดก็มาเจอมันนอนไปทีพระพักตร์ของพระเดชพระรงสวัสดิ์สภาพจะจับใจว่ า, าพระเนตรขององค์ยาวตาของพระองค์ที่รงมองมาสู่เราเรารับไูได้เลยว่าทรงรักเราอย่างลูกเราเป็นลูกที่น่ารักที่สุดของพระองค์ จะไม่มองเราเป็นอย่างอื่นเลยไม่มองเราเป็นศัตรูไม่มองเราเป็นคนอื่นไม่มองเราเป็นญาติไม่ใช่ญาติจะมองเราดุเดังลูกของพระองค์เมื่ออย่างที่ทรงจัดว่าเรารักพระราวหุ่นอย่างไรแล้วก็รักพระเจวทัตอย่างนั้นพระองค์ไม่มีการที่มองใครดีกว่ากันเลวกว่ากันจะมองด็กเราทุกคนเหมือนลูกทุกคนหมดเลยเพื่อเอาความสุขของเธอเถิด รับรู้ในใจของเจเลยว่ายามที่เจดีเข้าไปใกล้ๆพระองค์ ม, มองขึ้นไปเห็นพระพักององ ต, ตร์องค์เสด็จพระรงฆ์สยบปิโสผ้าเห็นแววข้าน้อยที่ตรงมองมาสู่เราให้ตามไววตาว่านี่ลูกของท่านลูกของท่านมาแล้วลูกของท่านมาสู่เราแล้วเราจะทรงจกักเราพักคาคตเราคงจะตอบในความรสึกกับองค์ไม่ได้แต่เราก็คงจะเดาได้ว่าดองดีใจ ใจและโลกของเรามาหานราแล้วเหมือนถ้าคเป็นพ่อเป็นแม่ก็ะรูสึกใจยามใดที่ลูกมหาตนแล้วมาแสดงความรักแสดงความเคารพแสดงความอ่อนน้อมจะรู้สึกยังไงเราตาของเธอเมื่อมองไปสู่โลกของเจอจะมองลักษณะอย่างไรแสดงว่านี่คือความเป็นจริงไม่ใช่การปกปทานไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นการ มองไปตาม t ình, t ình l l ề, เป็นไปของความเป็นพระพุทธเจ้าตัางหากไม่ได้มองสิ่งที่เป็นของปลอมเลยพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างอื่นแม่ถูกต้องไหมด็งการเอาใจของเัาไปจับวามเป็นพระพุทธเจ้ามันจริงจับอยู่ในใจของเราได้ทุกขณะลมหายใจเข้า à, อ ph ph อกทุกเวลาที่เกิดจะต้องความจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นได้ตลอดถ้าจะาทิ้งขอความเมตตาพระองค์ขอรุกพงโปรสดเด็จมาประทับเหนือศีรษะของรูปไปเกิด พระองค์ก็เสด็จมาทำไมแล้าลูกของพระองค์ป่าธนาพวกเป็นบิ ด, ดาเป็นข้อจะไม่ประสง์ที่จะสรงข้อลูกเลยอเชื อ, อเป็นไปไม่ได้ที่พระพู้เป็เจ้าจะไม่ทรงกระทําอย่างนั้นพระองค์ต้องเสด็จมาหาเธอถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาด้วยองพระองค์เอ ง, เองเก็ตงเป็นรพระจักรพรรดิกำลังถมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเธอที่บงกีตากของเธอจะต้องได้เห็นพระองค์อย่างแท้จริงแน่นอน จะจะไปขึ้นไหนเดินทําอะไรอะไรอยู่เธอก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่กระเทยตลาดเวลาจะมีตามสกขไหมอย่างนี้มันเป็นความตกใจว่าเราได้ไม่ได้ไม่ห่างไกลพระพระพุทธเจ้าอยู่กับลูกเราได้สิว่พ่ออยู่กับลูกเราไม่ขาดพ่อของเราเราได้สึกอย่างนี้มันปูกพันในใจเราได้ตามดีแล้วจึงอยากจะทํำตามดีให้มากมากเท่าที่พระองค์ทรงคิดได้เราทําเป็นที่แล้ว ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้กับพระองค์อยู่ที่นิพพานกับพระองค์ไม่อยากเป็นบ้าใจเกิดอีกแล้วเพราะอะไรเพราจะพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้เห็นความจริงถ้าตรงกับลูกรักจ ะ, จะรู้สึกยังไงว่าใจของเราจะรู้สึกอ่ละลูกรักเอ๋ยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงนะลูกจงอย่าได้ประมาทในชีวิตฟัตงเพียงคําท่านี้ที่รู้สึกพุทธเจ้ามาในใจของัเธอ ทีจะจับใจตัวมากไหมมันก็จะตรึงแน่นอยู่ในหัวใจของตัวว่าทุกคราวที่เจ้าได้ในเ็กถึงน็กถึงภาพทีพจะด้วยองค์ใดองค์หนึ่งเจ้ก็จะนึกถึงาา ต, า, นนงงงต า, ามเป็นพระพุทธเจ้าทันทีเวลาเจ้กราบไปในพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งเจ้ก็กราบตามเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้การาบที่จิตที่ปูนที่ของสมุดเหล่านี้แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมื่อ ใ, ใครเขาประดิษฐ์ขึ้นมาสร้างขึ้นมา เรารู้สึกเราดีใจมากที่เขาได้สร้างพ่อของเราไว้ในพระศาสนาเขาได้สร้างสวามเป็นพระพุทธเจ้าให้คนทุกคนได้กราบได้บูชาเมื่เราได้เห็นค่าวอะไรรู้สึกว่ามันจับใจด า, จาจวจริงๆเราจึงกราบได้ไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรไม่ใช่ภาพแต่สลัดกระโหลกกระลาเป็นภาพโพธรูปเราก็กราบด้ดยวยความสนิทใจเพราะเราไม่ได้กราบกะลาไม่ได้กราบกระดาษ การกรความเป็นเพระพุกจเจ้าสังหาถ้าเธอทาอย่างนี้เป็นคล่องตัวเล่งตาหลักตาทําด้ทุกอริยาบทจากใจของเธอเธอจะไม่พลาดเลยเรื่องของการรู้สิ่งใดที่ต้องรู้มันจะรื้อฟื้มันในใจของเธอเอง มเมื่อเราขอตามเมตตาจากพระองค์ทรงเมตตาทรงก็ว่าสิ่งใดหากลูกต้องการจะรู้ก็ดีกำหนดก็ตามหรือไม่ได้กำหนดก็ตามหามไม่ตา ม, มาจําเป็นจะต้องรู้หรือสมควรจะต้องรู้ขอยรู้โดยรู้สิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนและแจ่มใสทําใดที่องค์พระพิจารณาบรมมาสัยปรดาสมบุกแล้วขอยรู้โดยรู้ตามนั้นได้เกิดถ้าเจอทําอย่างนี้ทุกครั้งที่เจอเดินบุตถึงความเป็นพระพุทธ เ, เจ้าญาณทัตนะหรือว่าญาณที่เกิดขึ้นในใจของเจอเนี่ย อันเกิดจากจิมีความตั้งใจจริงเธอหลอกตัวเองไม่ได้เธต้รู้ว่าเธอปรารถนาจริงๆอยากพบพบพระเจ้าจริงๆอยากดุจกระพระองค์จริงๆใจของเธอมีเตมร้อยพระองค์ก็จงเป็นผู้ที่สรงครอบเธอเต็มร้อยเหมือนกันใงเมื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ตั้งใจที่จะขอร้องขอตามเมวตาก็มีหัวใจท่วมทน น้ำพระทัยพระเมตตาจะองค์ประโยคภาษาสดาสมารตขพุทธเจ้าก็หาประมาณนี้ได้เมื่อสองดวงดวงใจมีตามปารถนาซึ่งกันและกันมีหรือจะไม่ถึงมีหรือจะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะ ไ, ไ, ไม่ได้พบพระองค์ท่าน ถ้าเกิเชื่อความเป็นใจของเถอถ้าเกิดตั้งใจจริงๆแล้วเกิดเชื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสองอย่างแค่เนี้ยจะสามารถตกมโนยิปิอย่างสบายหนึ่งเชื่อความเป็นใจแปลว่าเธอเนี่ยรักเคารพจริงไม่ได้ศักต่ว่ารักเคารพไม่ได้ศักตว่ว่าไหวกราบธรรมดาและเกิดเชื่อความเป็นพระพุทธเจ้าวัดต้องเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าตามเชื่อของเธอไม่ลังเลสงสัยในสองประการนี้แล้วก็ คามเชื่อมโยงแล้ว่างอารมใจคิดกับความเป็นใจของพระพุทธองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเธอเชื่อมเข้าหากันได้อย่างดีมากไม่ต้องอาศัยกายเธอวจะเป็นอย่างไรต่อให้ลมหายใจของเธอกระดับขึ้นไปหรือมันหายใจม่ อ, ออกหรือมันจิตมันขัดในการภาวนาขอให้ร่างกายของเธอ จ, จออุกย่ำยีจะโรคไข้ไข้เจ็บเพียใดทุพวกเวทนาจะเสียแทงเธอแค่ไหนก็ไม่สามารถจะตัด สายใยที่ใจเธอมีกับพระพุทธเจ้าและความประสงค์พุท ธ, ธองค์ที่มีเมตตาต่อเธอที่อยากจะสงค์เธอให้ขาดปดัญนลงไปได้ยังให้เธอแต่พระพุทธเจ้ายังได้ครบกันติดเสมอเห็นกันอยู่เสมอตั้งใจมันไม่ใช่ตัวอุปสรรคจำไว้นะกายไม่ใช่จิตและกรูปภาพก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้า กำไหมนะเราไม่เอากายลูกตาเราไม่เชื่อมโยงกับลูกภาพหรือของจะเป็นของสมมติจะเอาใจเราเชื่อมโยงกับความเป็นพระพุทธเจ้าเอาของละเอียดเข้าหากันจึงสามารถจะทําให้ใจของเรานั้นทรงตัวได้ทุกขณะทุกอารมณ์หายใจขเขาออกเข้าออกไม่จําเป็ น, นตัง้งแต่อาศัยว่าคุณจะมีสมาธิมาก คนจะมีสมาธิน้อยสมาธิมากดีในการทรงตัวทำให้เราอยู่กับพระพุทธเจ้าได้นานสมาธิน้อยก็อยู่ด้วยแค่ขณะเวลาหนึ่งสั้นๆแต่เราต้องการให้มีสมาธิมากๆแล้วก็นึดอย่างนี้แล้วภาวนาไปนึกตามเป็นพระพุทธเจ้าให้จับใจแล้วก็ภาวนานะมะนะทะก็ได้ภาวนาไปจิตเมื่อมีกําลังดีแล้วท่านพร้อมได้เป็นอบริสุทธิ์แล้ว ทังเพราะไมตามเข้าใจในการเป็นจริงที่เราเอาคําสอนของพระองค์มาปฏิบัติถามว่าทําไมเราต้องคิดอีกต้องคิดอยู่แล้วเกิดประทับใจเพระพระเจ้าโดยเหตุอะไรหากไม่ใช่เพราเกิดคิดเกิดกระทับใจเพระพระเจ้าโดยเหตุอะไรหากสิ่งที่เราปฏิบัติไม่เกิดผลตามสุขในสองกรณีอย่างนี้มันจะเป็นเหตุ ปัจจัยทำให้เจอนี่ยไม่สามารถละวางอารมณ์ใจที่ห่างพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ใจของเธอมันไม่ได้เดลอกริดนึกถึงความจริงที่เจอกำลังเป็นอยู่เพราะที่พระพุทธเจ้าสอนน่ยจริงทุกจริงจรงพระพุทธเจ้าค่ะจะปฏิเสธมันไม่ได้ว่าเป็นเช่นนั้นทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆงพระพุทธเจ้าคข้าไมะอยากจะเจอมันอีกแล้วไม่อยากแบกภาระไม่อยากอยู่กับขันห้าในแล้ว อยากอยู่กับใกล้ๆพระองค์ตราบใดที่ใจของเธอยังได้ระลึกนึกถึงความจริงเธอก็จะพบพระพุทธเจ้าอยู่เสมอที่องค์สัตวธรรมะสัมพุทธเจ้าตรงตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นพระกถาคดเมื่อไดที่เธอเห็นความจริงที่เกิดขึ้นเธอก็ย่อมยอมรับนับถือในความเป็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นถูกไหม แต่อพยายารับนั้นสืบตามเป็นพระพุทธเจ้ามาเท่าไรเสริมรสุวดใจนั้เจะจัดในตามดีของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นจะจะไม่มีคําว่าลังเลสงสัยจะเชื่ออย่างสติใจหรือว่าไม่ว่าสิ่งใดที่ พ, ทรพระพุทธเจ้าตรัสไม่คิดพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดหนึ่งเป็นสองจัดเพื่นใดก็เป็นเพื่นนั้นฉะนั้นในอารมณ์ใจที่จะรับรู้ในขณะจิตที่เกิดเป็นอย่างนี้ มันจะไม่มีคำว่ามีอุปทานจะมาเกี่ยวปนไม่มีสิ่งใดมาฟางตามเป็นใจที่เจตกำรักกระแสะทแรรี่ยวค์เสด็จพระจอมแปบรำมาสราตสมัยน้ำวัดไทยสมัยตาหยิดยื่ให้กับเธอมันจะผิดจะได้อย่างไรถ้าผิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าและถ้าผิดก็คงไม่ใช่เธอที่เป็นพูดอย่างนี้ฉันหมายควว่า ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเขแสดงว่าผู้ชี้ละกับเราเชื่อโยงกับเราไม่มีใจในโนตาเป็นผู้รู้ไม่จริงไม้ใชก่กัจจพยุตยยาไม่มีความเป็นพรพุธจ้าให้เราได้เห็นเหลือนหลงเหลือเลยถ้าผิดก็คือว่าเราไม่มีความเชื่อตัวเองเลยว่าเรารละเขาลกจริงๆ ถูกต้องไหมไมันจะมีอะไรเหตุมันมากมายแค่ไหนก็ไม่หยุดจริงเท่านี้หากเราได้ยินโดยฟังก็จะต้องได้ยินโดยฟังจากของจริงแค่ไหมละ่ะของจริงเป็นยังไงตามเป็ น, ปปนพุทธเจต้องเป็นยังไงแล้วก็ต้องว่าพุทธเจต้องเป็นอย่างนี้สรงต้องสลักหนึ่งให้เป็นสองควารู้ที่รองอรอทรงู้สุสัทธันโยออยามไม่มีอะไรที่ติดบังพระองค์ได้เลยและสิ่งที่รองตรงตกับเราไม่มีคำใดนะ จำไว้นะที่ทําให้เธอต้องทุกข์แม้แต่ความรู้สึกหนักของใจสักนิดหนึ่งก็ไม่เกิดมีในเ ส, สี้ยวตรงจักรเนี่ยจะทาให้เธอนั้เบาใจขึ้นโปร่งใจขึ้นนั่นแหละคือความเป็นพระผู้เจรจาเพราะผู้เจรจาจะมาทําลายความดีของเธอไม่มีจะมาทําลายความตกของเธอเป็นไปไม่ได้นั่นไม่ใช่พระผู้เจราแล้วใช่ไหม สิ่งที่พระเจ้าประดับอย่างเราไม่ว่าจะเราจะคุณถามเรื่องอะไรจะมีสิ่งที่หลุดออกมาขุดมาในใจของเราเนีสิ่งนั้นเราจะรู้ได้ทันทีว่านี่แหละพระพุทธเจ้าสิ่งพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทําให้เราตกส่วนใจย่อมไม่ทําให้เรามีความทุกข์ใจยามใดที่เรายังมีความทุกข์ใจเมื่อเรารู้สึกถึงความที่ขุดขึ้มนมาในใจขอนเราที่ตรงตอบในใจแล้วเราจะเป็นค่าวตัว ตามเศ้ามองทั้งหลายมันคลายตัวออกไปจิตเลยคลายตัวปัญหาคลายตัวอุปทานคลายตัวจิตที่จะสร้างอคติศลัทธาดับขึ้นไปนี่แหะคือตามเป็นพระพุทธ เ, เจ้าและเสิ่งที่เรารับรู้ในตรณหาใจของเรามันไม่มีทางที่ผิดได้เลยหากสิ่งที่เรากําลังรับรู้จากรู้สึกที่เกิดขึ้นคือตัวเรามีตามรั ทีความศรัทธาล้นเปลี่ยนเนื่องจาที่เรานึกถึงความเปินพระพุทธเจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วจะผิดตรงไหนการฝึกมโนอยที่จะเป็นของที่ไม่ยากอะไรนี่เป็นของกลง่ายๆนหากจะยากก็ยากถึงแค่วาใจัยของเธอ มันไม่เลยเกียดปราณีให้สามารถจะรอรับความดีของที่พระพุทธเจ้าจะประทานให้ได้ประกัยสองเคยมีวิติกิจฉาลังเลยสงสัยในความเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเธอไม่ลังเลสงสัยในความเป็นตัวของเธอเองหรือเธอมีเมื่อจะสง ส, ยสมมัยทำไมว่าตัวเธรักหือไม่รัวตัวกําลังคิดถึงพระองค์หรือไม่คิดถึงพระองค์ใครจะเต่าไปถ้าตัวของเธอแล้วกไม่น่าส ง, งสัยว่าใช่ฉันคิดถึงจริงๆหรือเปล่าวเน่าฉันรักพระองค์จริงๆหรือเปล่านี่เธอจะไปนั่งถามกับบ้านทมว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตะขันนี้กำลัตั้งไฟ โ, น, โนแล้วนะบ้านหลังคาดแดง และตัวเอมันยังไม่รู้รว่าตัวเองคิดอะไรเป็นยังไงมันก็เกินไปนะเกินพอดีแล้วนะแล้ี่ความเป็นระผู้จกรเจ้าครู้ว่าเกิไปแล้วนะเด็กมันยังรู้ได้ว่าพ่อแม่ทีรักเขาแล้วเป็นยังไงวาจาของพ่อแม่เวลายยิ้มให้อะเป็นยังไงวาจาที่พ่อแม่พูดให้กับเขาว่าเป็นยังไงเด็กมันยังรู้เย่าเป็นยังไงเราจะไม่รู้เลยว่าพระผู้เ้าาจะเป็นยังไง ตัวที่รักเราเด็ดลังลูกเนี่ยเป็นยังไงสิ่งที่เรดวงจงแม่ตา ก, กับเราคือต้องการให้เราค้นพุกข์อ่าจะพูดอะไรถ้าเขาพูยเราคนทุจะพูดเรื่อะไรพูดเรื่องก่อเกิดปัญหานั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดแล้วต้องลําบากไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เชื่อได้ยังไงว่าสิงที่เรามันสัมผัสภายในจิตลึกๆของเรา เวลาเรากราบคุนถามพระพุทธองค์ว่าลูกต้องการอยากเอาเรื่องนี้ลูกต้องการอยากทราบเรื่องนะั้นถ้าลูกติดขัดอย่างนี้ลูกจะคิดยังไงกันถ้าสิ่งที่รูกฝึก ข, ขุดมาในใจของเรามันฝึกนี้ก็แสดงว่าเราเนะ่ยมันแย่เป็นทนแล้วนะที่เรายังลังเลยสงสัยในความเป็นพระพุทธเจ้ายอยู่ต้องกลับไปพิจารณาจนใหม่ว่า นิพพานเลิกกันได้แล้วมั้งแต่ละลบดีกว่าเจ้าวิธีที่สันคู่ในเจอเนี่ยแนะนำไห้เจอทำมันยากไหมยากยากเพราะอะไรอะไรที่เราคิดแต่ว่ายากแค่นึกถึงความเป็นพุทธเจ้าจะจาานึกได้ไหม ได้แล้วนึ้ถึงตัวเอว่าราควบคุมใจเราได้ไหมถ้าถามว่ายากยังไงได้แค่สองอย่างเนี้ยยากไหมอ่ะเราต้องฝึกไงการตรงตัวตรงตัวของเราจึงต้องพยายามทำบ่อยๆอย่าหมดตาเลนตาทำอย่าหมดหาเวลาว่างทํำในทุกเวลาทุกขณะจิตการทําแบบนี้ไม่ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออก าการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้อาศัยคำภาวานาอาศัยไหมไม่หรอกไม่ได้อาศัยอะไรเล ย, เลยไม่ได้อาศัยอะไรที่เกี่ยวกับกายแม้แต่นิดเดียวเลยกายจะเป็นยังไงกระชางหัวมันมนเรื่องของกายเราสนใจที่กายอะไรว่าเราคิดอะไรเราป่าถนาอะไรเรากำลังตั้งใจไว้ถึงใครยังนี้ไม่ว่ากายมัจะเป็นยังไงมันไม่มันไม่ใช่อุปสรรคขัดขวา ง, งเราแม้แต่นิดนึงแล้วไม่จะมาพรวงกับการส่งตรงสมาธิ ว่าเดินลมหายใจเข้าออกให้จงโจก่อนแล้วก็ทําอย่างนี้แต่การที่จะทําอย่างนี้ให้มีความตรงตัวก็หลังจากเมื่อเจอใจตรงเธอนี่ยจับใจพระจับความเป็พระพุทธเจ้าได้อย่างดีแล้วชื่งใจแล้วก็เริ่มําเนินการภาวนาต่อไปอันนี้เนี่มันจะเริ่มรงตัวตอนนี้จะไปทำหลังจากตรงที่เจอสงบดีแล้วชื่นใจมีความอิ่มใจในความที่ใจของเธอได้สัมผัสพระพุทธเจ้าได้ เจอภาวนาสิจา น, นี้ภาวนาเพื่ อ, อในความรู้สึกของเจมันเชื่อมโยไม่ขาดหายไปเยอะขึพิจารณาก็ได้พิจารณาก็ได้ในความจริงที่พรุทธเจ้าสอนเราทําทอย่างนี้เรื่อยๆไปพิจารณาบ้างภาวนาบ้างสลับกันไปความตรงตัวของมันก็จะเกิดขึ้นบ่ใรที่มีแรงกระทบตัวเอมันก็จะนึกถึงว่าใช่เพราะพระพุทธเจา้าสอนว่าทุกมีร่างกาแล้วเป็นทุกทุกอย่างนี้เราจะไปวุ่นวายกับคนอื่นทําไม สิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเป็นทุกข์เรรู้แต่เราจะจมอยู่กับมันหรือไม่หาทางออกหรือแล้วก็ต้องหาทางออกแล้วถ้าออกมันเธอเคืออะไรคิดถึงพระท่านไม่ตีกับสิงใครคิดถึงพระองค์นี่คิดถึงข้อของเรานี่ไปหาข้อเราจะไปหาข้อของเรา อยู่กใกล้ๆพ่อเราดีกว่าปลอดภัยพ่อเราไม่มีวาจาประชดประร้ายเราและการตายเ่านี้ไปอย่างนี้กรรไม่ตามไปหาเราไม่มีกรรมอะไรไปคุกคากใจเรากลับมาแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นในเวลานั้นเมื่อเมื่อความรู้สึกมันผุดในใจว่าพรุทธเจ้าทรงตัดว่าลูก มันไม่ใช่ของลูกหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องอะไรก็ได้ที่จะปวดในใจของเธอเราจะเองจริงมันลรได้มีพ่อมาเตือนสติกเราใช่เราไม่คนรคิดอย่างนั้นเราไม่ควรติดสมมุติอย่างนี้เราไม่ควรมองอย่างนั้นมันก็จะติดขึ้นมาในใจของเธอเองญาณที่ได้มาเชื่อรู้มันเป็นปัญญาญาณที่บริสุทธิ์จากองค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังให้ใจของเธอได้รับรูปัญญาอย่างอันบริสุทธิ์เธอก็าสามารถะละซึ่งความเศ้าอมองในขณะจิตนั้นเวลาที่จธอโดนกระทบอารมณ์กระทบสิ่งต่างๆที่ไม่ชอบใจหรือความรู้กที่กําลังเกิดขึ้นในตัวของเธอตึกสี่จิตมันต้องตึกมันไม่ใช่ว่าแค่นี้แล้วมันจะตรงตัวมันต้องตุกให้ชินตึกให้มันคิดให้ชิน ฝึกให้มันหนีไปหาพระให้จริงัวกกิริยามันใดที่มีทุกข์เราไม่ต้องการจะกลับไปหาใครนอกจากไปหาพระพุทธเจ้าองานที่เราสบายแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สบายแล้วนึกถึงอย่างอื่นตอนทุกข์มันนึกถึงพระไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่มาแต่มันนั่งทำในตอนเราทุกข์คุณจะวิ่งกันไปหาพระยังนี้ใช้ได้จรินไหนเลยมนั่งทาเมื่อตอนที่เราใกล้จะนอนหลับ ก็ได้เี๋ยจะมาคิในสิ่งพระได้เยื่นี้ถืไว้าชาปชะพระเขาพูดเป็นคืนเลยเปนทีเรารักพราเราต้องนึกถึงทุกเวลาเราต้องนึกทุกครั้งในเวลาจะสบายยิ่งสบายเท่าไหร่ายิ่งนึกถึงพระพุทธเจ้า้องค์แถวนั้นเพราะอะไรนี่ไงความสุขที่เกิดขึ้นกันบเราเพราะว่าพรองครงส อ, งสอรเราขอให้เรามีธรรมให้เราได้จัดระละ เราจึงได้สมบัติสิ่งนี้มาเป็นของเราหมายถึงว่ายามที่เราเป็นมนุษย์อย่างนี้นะถ้าเมื่อเรามีทรัพย์เรามีอาหารการบริโภคเราจะได้มีโอกาสได้ให้ทานกับพระให้ทานกับสิ่งนี้นี่พรเจานน้นนาทรงแนะนำเราตามตกเกิดขึ้นมากเท่าไรเราก็จะรู้สึกว่าความเป็นของพระเจ้าจับเข้าไปในใจของเรามากเท่านั้นความทุกข์ยิ่งมากเกิดขึ้นกับเรามากเท่าไร เรายิงเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนมากเท่านั้นไม่ว่าจบรถปุ๊บเธอก็สามารเตือนพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาเก็บตีจำจะต้องฝึกนะถ้าเธอต้องการหลุดพ้นจะต้องฝึกตัปรมาเหมือนเธอกำอยู่ในแดนสงครามที่มีตะกูรอบตัวเธอทั้งหมดเดินไปทางไหนเดยวก็มีหอกตักหลัง เดินไปทางไหนเดี๋ยวมันก็เอาอะไรฟังข้างหน้าเดินไปทางไหนเดี๋ยวมันก็ด่าเราว่าเราเดินไปถนนก็ยื้อแย่งทรัพย์สงบัติที่เราถือมาเดินไปทางไหนก็ยิงยิงจระทำติดขินยิงชาด่าว่าแล้วคิดว่าเส้นทางที่กํกลาลังเดินอยู่ในขอบเขตอย่างนี้จะไปพึ่งใครหากเราไม่พึ่งพระรัตนไกรจะไปพึ่งใคร ถ้าใจของเราไม่มีความมั่นคงในความตั้งคามปราศพนาจะต้องการความสุขเกิดตามทุกข์แต่เราไม่มีความมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เธอไม่มีโอากาสเลยที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้นั้นอัตติอัตโนนาโธเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องตรงที่ว่าใจเราต้องคิด ไม่ใช่คนอื่นคิดแทเราแต่เราต้องนึกไม่ใช่คนอื่นมานึกแทนเราแต่เราต้องเตือนตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นมาคอยเตือนตัวเราเตือนให้นึกเตือนให้คิดมีที่ไหนเขาไม่สามารถจะมาเตือนเราได้ทุกเวลาจบไหมยามที่ไหนกำลังเขาเรียกอะไรเสียค่าพลาดไปเรียงพั้งอย่างเงี้ย ตอนนั้นหากว่าคนที่เขาสามารถส่งข้อเราได้ไม่อยู่ใกล้ตัวเราก็ทํำยังไงถ้าเขาอยู่ใกล้ตัวเราก็เห็นเราเพียงเพราะเตือนแล้วล่ะนี่ น, นึกถึงพระบงังคีนี่ภาวนาบ้างคีเขาก็เตือนไปแถวนี้นนอจารเท่าด้วย ถ, ถาะว่าเราจะทําทันทีไหมตอนนั้นมันจิตเจ้องมอก็จะทํำยังไงคําพวกแบบที่คนที่เขาหวังดีมันอาจจะให้เกิดประโยชน์อะไรเลยก็ได้ใช่ไหมเราต้องเตือนตัวเราบ่อยๆ เตือนให้มันชินคอยจักเตือนตัวเองให้เฮ้ยนิจฉุกพระบางจิวอออวอวนดาบาังจิวะนี้ก็เตืนแล้วไม่ใช่ังไม่ใช่มนนึกไปเรื่องโน้เรื่องไมเรื่องนั้นยังใจบ้างเฮ้ยไปทาไมคิดไป ท, ทาไมจะติดเข้าทาไมะเะ็นใจจิตญาติเองกเพื่ออะไรนี่เตือนไหมต้องเตือน เราต้องเปลนตัวเราใคราจะมาเปลนเราพลังใครรู้ใจเราบ้างมันยากคนอาจจะรู้ใจตัวเราอาจจะมีแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้เราตลอดเวลาที่จะพูดให้เราได้ยินได้ฟังใช่ไหมแต่รู้ว่ากำลังคิดเรื่องอคุณคิดใหม่ น, นี้คิดใหม่แล้วนะแต่ใครก็จะมาทำอย่างนี้ได้ับเราไดเวลามันเป็นไได้ยากมากถ้าเราไม่ไดอยู่กับเขาเบอโทรติดกันใช่ไหม มันก็ต้องต่างคนต่างมีกรมต่างมีว า, า, าระที่ต้องเป็นไปต้องเดินต้องทําอะไรไปตามภาระที่ตนต้องทําอยู่แล้วความจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั้นอัตยิปอัตโนโนาโถคือเราต้องคิดว่าเราต้องเป็นคนคิดเราต้องเป็นคนนึกเองคนอื่นนึกแทนเราไม่ได้คิดแทนเราไม่ได้เขาละบยญญัช่วยแล้วมันเดียวเขาไม่ช่วยเพราะพุทธเจ้าก็ช่วยเทดาก็ช่วยพออาระอรหันต์ก็ช่วย ไม่เคยท่านทั้งหลไม่เคยเจอนะท่านช่วยจำอัตราอยู่แล้วไม่เคยห่างตัวเธอเลยนอกจากเราจะติดกั้นตัวเราไม่ให้โอกาสที่พระหรือท่านทั้ทไหนยหยุดยื่นเข้ามาเสียเหลือเราได้ยกตัวอย่างง่ายๆเยวลาท่านพูดอะไรเตือนเราแล้วยังไม่ฟังพระพูดยังไม่ฟังเลยเตือนก็ยังไม่ฟังเลยอย่างนี้แสดงรับติดกั้นตัวเองไหม ติดกั้นตัวเราไม่ใช่พระท่านไม่ช่วยไม่ใช่พระท่านไม่เมตตาที่เข้ามาหยุดเยื่ยมช่วยเหลือเราไม่ใช่พระท่านไม่เป็นที่พึ่งท่านเป็นที่พึ่งของท่านเป็นที่แล้วแต่เราสิไม่ทําที่พึ่งแห่งตนไม่เปิดใจของเร า, ารับในสิ่งที่เป็นตานมเมตตาของพระเข้าใจไหมนะอา่า เอาละเวลาก็พอสมควรนะนะอากรขอพระคุณองค์สด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ให้เปลีนพระองค์ท่านนะได้ตั้งใจเอาที่สองคู่สองกันอีกทางบุญญาพลังผลระเบนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ ขอเจตสูตรกนี้ให้แก่จเจรจในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่เคยล่องเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขวายท่านทั้งหลายจโอธนาจงโอโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งตั้งแต่บัด น, นี้จากข้าวข้าสตุขาริพานและขอเจตสูตรโกรสมนี้ ให้แก่เจ้าพเจ้าทั้งหลายที่ตกป่ารักษาพเจ้าพละเจ้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อสากรักพิพกและปยายมราชขอเจ้าพเจ้าทั้งหลายและปยายมราชด้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสักขีพยานในการบําเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเปิดและขอที่จุโคนศนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยตามสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นยากก็ดีไม่ใช่ยากก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนจะรับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะควนไ่้รับ และการระบับดโดยนี้เสร็จผลละ บ, บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับเห็นแล้วณโอกาสนี้ขอผลละ บ, บุญนี้ต้องเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึ ง, ง, งตึ้งพระนริพพานในชาติัจ r e s e n ได้เติมอรหังสัมมาสัมพุทธภกวา ตังพระขวันตังอภิวาเทมิตวะข้าโตเทควัตตาธโมอามังนาสะอามิสุปัตติปโนเทควตโตทาวตาสังโขตังขังนะมามิ นะทุกคนนะ